โอ้อากาศหนาวสืม่ดีแล้วเนาะหนาวซุ่มอไมอีกแล้วแต่อูเป็นพักพักมากเป็นพักพักบงทีทแ ว, ว่าหนาวกับภาวานาด้วยพ า, านภาวนา่ยสีตมแต่หนาวแต่หนาวอย่าั้นหาแนมมามม ส, สุ่มหาแนมมาหมซะสันงูดทนบไดอะไ ร, รีกไไ่ก็ไปซีงไฟซะนู้นสั่น แล้วก <su> ันเพียังอยู่ยไปอยู่สุมาอยู่นั่งอยู่ไปตามเนี่ักสมหดใจว้ย้ายให้มันหนีไปใส่ย่าให้มันยาก้ายให้มันบิดมันพ้นกำหนดใจให้มิดมีนิ่ไว้อยู่น้ากันเวละเขาจหนาวกันอยู่น้ากันเลาเขาเรงสิ่มันหนาวมันห้อนมันหนี้ยื่ดอกหนีประจำอยู่มันมากจะดนเดี๋ยล่ะมันจะดนแล้วหลายปีแล้ว ต่อไปทั้งนาแต่ที่นี่อายุหนาวเนี่ยอือก็เอาเนี่ยมาตุ่มมหฮ่มเจ้าของไสหลักก็แล้วละฮนีใ่ใจเนี่ยุดอยู่ก็เจ้าของหลายๆมันมีแนวสิมาหลากมาแก่ใจเขาออกไปหนึ่งมาลอยใจเขาออกไปหนึ่งหลายทา่านเด้ข้านตาเขออกไปท่านรู้เขออกไปท่านจมูกท่าน ทุ่ดังนึงจะออกไปทั้ทงรีบจไปทั้งกายกันไม่แล้วนี่ล่ะอันหนาวอัน้อนนี่ล่ะใจเท่องจัดเจิดไปอีกละออกไปอีกล่ะออกไปทั้งกายออกไปทั้งใจอีกใจมันบ่มียั้งมากสู้นมาตองน้ำหูน้ำตาเมันอกียังขึดไปอีกละใจเนีย่ยพยายามต่อมไว้ห้มไว้ก้าต่อมห้มดีดีนั่นแหละมันจึงได้หลายข่ะเนี่ย เนี่ยขันห้มไปหลายๆมันจงได้ใจหลายเอื่นว่าเป็นกลังใจขันใจห้มไปว่าท่านหลายมันบ่อเอื่นเป็นกาลังแล้วมันก็เป็นใจยู่แต่มันมันบ่อยู่หลายอันยอยื้น้อยหน่ันหหมไปเอาใจร่วมใจใบนี้ละร่วมใจไปหลายๆโดนๆนันๆนี่นห่ะมันก็ได้หลายไงเขาเอื่นว่ามีกาลังใจพจ่งนามีละขันนํา ยศเดียวสองยศมึงมั่กใส่ระโยชย์ก็ได้ใน น, น้อยนึงหรอกนะท่านหน้ามีห ล, ลายยศนะนี่ห้อมกันเลยเต็มอู้ตเต็มแอีงอู้เต็มบุตหลายได้หาดก็ได้ล่างก็ได้กินก็ได้นา้าได้หลายอย่างสักขาสัดแท่ก็ไไ้ได้มาหนี่กันมาภาวนาม า, า, มากกัิจักติวจักผลยังไงละ่ะ เนี่ยห้าวสิเอาบวมน้ำแต่ว่ามันใจใหญ่ห้าวลงปูเป่นวาขัดใจมันออกไปจากกลางจากนิซื่อจากสูนซื่อมันออกไปคุดแทนคุดนี่นะเออนว่าคิดกันคันสิตไปหาใจเรศแฉไปห้อมเอาใจเรศแทฉมันเพราท่านได้ของห้อมคิดนี่ะมันคุดดูใส่เขามันมาคุดนี่แหะทั้งในน้ําเข้านี่คุดดูบางกลางนิ้ว่ช่ไหม คุดอยู wisdom, ism, ud, rules, ่นิ่เสมอเสมอคุดอยู่เรื่อยๆคุดอยู่ตลอดเวลานั่นอัเดียวกันแหละคิดเข้าใจเนี่ยคิดพ่อมันหลายๆหลาแล้วนะก็เป็นคิดหลายคิดหลายแล้วมันดูมิดๆนิ่งๆมันเอ่ยว่าใจมันคิดหลายๆมาห้อมกันเรามีกําลังละเรียกว่ากําลังคิตกําลังใจมีกำลังคิดกําลังใจแล้ะโอ้ดีแล้วอ่ะเนี่ดี ควมสียานควมยานนั่นยานนี้ควมคิดควมใจใหควมหักควมสั้งควมสะบุสว่ายอย่างกลา ง, างวโลกควมเล่ใจโ บ, บนอยโอนนั่นใจเบาเย็นมันติเศร้ามด้นีุ่นหใจมันนี่กําล่งคิดมีกําลังแล้วฉันยู่นี น, นี่กําล่งนมนเปนเ้ามั นี่ล่ะคอมเมนต์เบาคือยังอย่าขอบจักรวาลนี่หละกำลังคิดกำลังใจมีอขอบจักรวาลให้คิดเป็นโลกได้ก็ตามอันนี้แลาร่างใจเที่ยงพ่อซุ่มจะของไว้อยู่ได้เลยโอ้สบายจ้ะบ่เป็นยังไม่คิดเป็นยังกระทเค็บแทงเจ็ท้าเคิดหลังคิดแหววบ่เป็นยังเป็นไข่เป็นฟวยน่งแห้งดีมึงมาเลดมึงจะอยู่พวกกูมึงจะอยู่พวกมึงวะเด้ อยู่ไอยู่มันเลยสิมันเหต <desp lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ุใดญ่เลยเด็กสบายทส่วนผูกคนเดือดร้อนกับคนอย่างีแล้วําผู้คนบวเต็มก็บสิบไปหาแต่เพิงอนผู้นั้นเพิงอนผู้นี้เพิงนหมอเพิ่อนอยู่เพิงอนยานี่ยแหละไม่ว่าเพิงอยู่เพืงอนยาแล้วเพิงอนหมอแล้วเนี่ยเขาก็บบอบทังเจงเนาะกัเพิงเท่ากันละเพิงนหมอเท่ากันละเขากับบทั้เจง เพื่อหมอแล้วนะให้หูจักเนี่ยเนี่ยใหู้จักเนพจะของน้าแน่เอาไปน้ากันกินยาหมอแล้วอยหมอเมื่อใหรนี่บม่ึงันางเฝาหมอเนี่ยจะของน้ำฟังจะของค่ะนี่น่งเฝาอยู่นนหลัใจเอ้ยมึงอย่าหนีเด้ออย่าน้ำกันหนีเด้อพเโอ้หบอสท่นดเด้เศ้าเลยเด้อขันบอเศ้ากบบมึงตายเศ้าไปเนี่ยบอกมันนะตายเศ้าท่าสิไปพวกกูซิไปพวกซ้อดอกันิ ดูสิแล้ววิธีเคลียร์ในบออะไรมันไปมันก็ะติไปอย่าได้ร่างกายมันกรติไปเพราะมันเยอะใจกติไปเพราะใจอยู่เลยเฝ้าจ้ะเฝ้าปดเปลาว่างจัะยานอันใดสร้างอันใดหักอันใดปดออกทิมออกจ้ะ